พระไตปิฎกเล่มที่ส4บสี่ปราสุทธันตปิฎกมัชฌิมานิกายอุปริปันนาทขอน้อมน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเทวะทะหสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เทวะทะหานิคมวาทะของนิกรนเรื่องความเพียรที่ถูกต้องกรรมแต่ปางก่อนมีผลอย่างไร สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของเจ้าสักกายะชื่อเทวทหะแขวนสักกะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมณพราหมพวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคลนี้สวยสุขบ้างสวยทุกบ้างสวยอัตุขมาสุขบ้าง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 ทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปนิครนทั้งหลายเป็นผู้มีวาทายอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราเข้าไปหานิครนทั้งหลายผู้มีวาทายอย่างนี้แล้วถามอย่างนี้นิครนเหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วก็อย่างปติญญาว่าใช่เราจึงถามนิโครนเหล่านั้นอย่างนี้ว่านิโครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้หรือว่า เราทั้งหลายได้เคยหรือไม่เคยเป็นอะไรในชาติก่อนนิครนเหล่านั้นตอบว่าไม่ทราบท่านทั้งหลายรู้หรือว่าเราทั้งหลายได้ทำหรือไม่ได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนนิครนเหล่านั้นตอบว่าไม่ทราบท่านทั้งหลายรู้หรือว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างนิครนเหล่านั้นตอบว่าไม่ทราบ นิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าทุกที่หมดไปแล้วมีเท่านี้ทุกที่จะพึงทําให้หมดไปมีเท่านี้เมื่อทุกหมดไปเท่านี้แล้วทุกทั้งปวงจึงจกหมดไปนิโครนเหล่านั้นตอบว่าไม่ทราบท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าการละ ก, กุศลลธรรมและการบําเพ็ญกุศลลธรรมให้พร้อมย่อมมีได้ในปัจจุบัน นิครเหล่านั้นตอบว่าไม่ทราบเมื่อเป็นเช่นนี้นิโครผู้มีอายุทั้งหลายจึงไม่ควรพยากรณ์ว่าบุรุษบุคคล น, นี้สวยสุขทุกข์ทั้งหมดนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตะบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อานาจแห่งกรรมต่อไปทุกข์ทั้งปวงจึงหมดไป นิกครผู้มีอายุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าเราทั้งหลายได้มีเคยเป็นอะไรมาในชาติก่อนไม่ใช่ไม่เคยเป็นอะไรพึงรู้ว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในชาติก่อนมิใช่ไม่ได้ทำไว้พึงรู้ว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างพึงรู้ว่า ทุกประมาณเท่านี้หมดไปแล้วทุกประมาณเท่านี้เราพึงให้หมดไปหรือเมื่อทุกประมาณเท่านี้หมดไปแล้วทุกทั้งปวงจึงจกเป็นอันหมดไปท่านทั้งหลายพึงรู้การละอกุสุลธรรมและการบำเพญ็ญอุสุลธรรมให้ถึงพร้อมในปัจจุบันบุรุษบุคคลนี้สวยสุขบ้างสวยทุกบ้างสวยอทุกขมาสุขบ้างทั้งหมดนั้น เราะเหตุแห่งกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตบะการบําเพ็ญเพียรเพราะไม่ทํากรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อํานาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอํานาจแห่งกรรมต่อไ ป, ปรกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกจึงสิ้นไปเพราะทุกสิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกทั้งปวงจึงสลายไป นิครนผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษอย่างร้ายแรงเพราะเหตุแห่งการถูกลูกศรแทงบุรุษนั้นพึงสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลตรวจหาแล้วห่อลูกศร อ, ออกก่อนใส่ยาถอนพิษที่ปากแผลเพราะเหตุแห่งนั้นเขาพึงสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อน ต่อมาเราะบาดแผลหายมีผิวหนังเรียบสนิทบุรุษนั้นจึงหายโรคมีความสุขมีความเสรีอยู่ตามลําพังได้เดินได้ตามปรารถนาภิกษุทั้งหลายเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วนิครนเหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่าท่านปูมีอายุนิครนธนตบุตรเป็นสัพพัญยูคือผู้รู้ธรรมะทั้งปวง เห็นสิ่งทั้งปวงปฏิญญาญาณทัศนะคือความรู้เห็นรงตามความเป็นจริงอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินยืนหลับและตื่นอยู่ญาณทัศนะได้ปรากฏต่อเนื่องตลอดไปนิครนทนาตบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่านิครนผู้มีอายุทั้งหลายบาป ก, กรรมที่ท่านทั้งหลายทําไว้ในชาติก่อนมีอยู่ท่านทั้งหลายจงสลัดบาป ก, กรรมนั้น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 เพราะทุกสิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปคําที่นิคร น, ตนาตบุตรกล่าวแล้วนั้นถูกใจและชอบใจข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงมีใจยินดีภิกษุทั้งหลายเมื่อนิครนเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับนิครนเหล่านั้นว่า นิครนผู้มีอายุทั้งหลายรรมะห้าประการนี้มีผลสองอย่างในปัจจุบันธรรมะห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. ปรูจ้จิความชอบใจ 3. อนุสาวรรการฟังตามกันมา 4. อาการปริวิตกการตรึกตามอาการ และหทิฏฐินิจานักขันติความเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้นิครนผู้มีอายุทั้งหลายธรรมห้าประการนี้มีผลสองอย่างในปัจจุบันข้อนี้คือความเชื่อหรือความรู้นั้นถูกก็ได้ผิดก็ได้เป็นการเตือนไม่ให้ติดในความเชื่อความพอใจเป็นต้นนั้น บรรดาธรรมมักทั้งหประการนั้นนิครนผู้มีอายุทั้งหลายมีความเชื่อมีความชอบใจมีการฟังตามกันมามีความตรึกตามอาการมีความเอากันได้กับทฤษฎีที่พินิษไวในศาสดาผู้มีวาทะที่เป็นส่วนอดีตอย่างไรภิกษุทั้งหลายเรามีวาทะอย่างนี้นิครนทั้งหลายก็ไม่ได้โต้ตอบวาทะอันชอบธรรมนี้เลย ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเรากล่าวกับนิครนเหล่านั้นอย่างนี้ว่าเมื่อท่านทั้งหลายมีความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าท่านทั้งหลายพึงสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนแต่สมัยใดท่านทั้งหลายไม่มีความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าท่านทั้งหลายก็ไม่พึงสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า นิโครนเหล่านั้นรับว่าเป็นจริงตามนั้นเพราะการบำเพ็ญเพียรของนิโครนคือการอธรมาณตนเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่กวนพยากรณว่าบุรุษบุคคล น, นี้เสวยสุขทุกเวทนาทั้งปวงนั้นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทาไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดด้วยตะบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ใต้อานาจแห่งกรรมต่อไป ทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปข้อนี้คือทรงถามให้ตอบว่าความทุกข์ที่ได้รับนั้นเกิดเพราะการกระทําของตนในปัจจุบันเห็นชัดอยู่ทำไมจึงบอกว่าทุกทุกอย่างเกิดจากกรรมในชาติก่อนเท่านั้นภิกษุททั้งหลายเราแม้มีวาทายอย่างนี้ก็ไม่เห็นการโต้ตอบวาทาอันชอบทำแม้สักนิดในนิกรนทั้งหลาย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 กรรมใดจะให้ผลในชาติหน้ากรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลในชาตินี้ด้วยความพยายามหรือด้วยความเปลี่ยนนี้นิครนเหล่านั้นตอบว่าไม่ได้นิครนผู้มีอา ย, ยุทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือกรรมใดให้ผลเป็นสุขกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลเป็นทุกข์ ด้วยความพยายามหรือด้วยความเอียนนี้นิโครนเหล่านั้นก็ยอมรับและตอบว่าไม่ได้กรรมใดให้ผลเป็นทุกกรรมนั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้รู้ว่าจงให้ผลเป็นสุขด้วยความพยายามหรือด้วยความเอี่ยนนี้นิโครนเหล่านั้นตอบว่าไม่ได้นิโครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร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 กรรมานั้นท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลมากด้วยความพยายามหรือด้วยความเลียนนี้นิครนเหล่านั้นก็ตอบว่าไม่ได้กรรมใดให้ผลท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงอย่าให้ผลกรรมใดไม่ให้ผลท่านทั้งหลายพึงเปลี่ยนได้หรือว่าจงให้ผลนิครนเหล่านั้นก็ตอบว่าไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ความพยายามความเกลียนของนิกรณผู้มีอายุทั้งหลายจึงไร้ผลภิกษุทั้งหลายนิกรณทั้งหลายเป็นผู้มีวาทาอย่างนี้คํากล่าวเช่นนั้นและคําที่กล่าวต่อๆกันมาสิบประการของนิกรณทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้คือหนึ่ง ถ้าหมูสัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนนิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้ทาบาปกรรมไว้ในชาติก่อนแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้ข้อนี้คือความเชื่อว่าความทุกขจากความเพียรในการทรมานตนที่ทาในชาตินี้เกิดเพราะบาปในชาติก่อน2 ถ้หมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตรของพระอิศวรคือพระผู้สร้างหรือพระเจ้านิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้ถูกพระอิศวรชั้นต่ำเนรมิตรมาแน่ข้อนี้หมายถึงพระผู้สร้างที่เลวชั่วชาติจึงเป็นเหตุให้พวกเขาสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้เพราะว่าถ้าเป็นผู้สร้างที่ดีมีเมตตาก็คงไม่สร้างให้เกิดมาทุกข และทอรมานขนาดนี้ 3. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกเพราะเหตุแห่งเคราะ์นิกรนทั้งหลายพึงเป็นผู้มีเคราะห์ร้ายแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนเห็นปานนี้ในบัดนี้ 4. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกเพราะเหตุแห่งอาภิชาติคือชาติกําเนิดนิกรนทั้งหลาย พึงเป็นผู้มีอภิชาติเหลวแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนเห็นป่า น, นี้ในบัดนี้หถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกขเพราะเหตุหตแห่งความพยายามในปัจจุบันนิกรนทั้งหลายพึงเป็นผู้มีความพยายามเลวซามในปัจจุบันแน่จึงเป็นเหตุให้พวกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนเห็นป่า น, นี้ในบัดนี้ห ถ้าหมูสัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนนิกรนทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตําหนิและถ้าหมูสัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนนิกรนทั้งหลายก็เป็นผู้กวรถูกตําหนิเช่นกัน 7. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตรของพระอิศวรหรือพระผู้สร้าง นิครทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตรของพระอิศวรนิครทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนิเช่นกัน 8. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเครอะหนิครทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตำหนิถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์นิครทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนิ เถ้าหมู oh. In ่ส euh. ัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติคือชาติกําเนิดนิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตําหนิถ้าหมูสัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติคือชาติกําเนิดนิครนทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตําหนิสิบถ้าหมู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันนิครนทั้งหลายพึงเป็นผู้ควรถูกตําหนิ ถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุก์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันนิกรนทั้งหลายก็เป็นผู้ควรถูกตำหนิเหตุแห่งการถูกตำหนิทั้งหมดนั้นก็เพราะว่าลัทธินี้คือการทรมานตัวให้ลำบากนิกร์ทั้งหลายเป็นผู้มีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคาที่กล่าวต่อต่อกันมาสิบประการของนิกรทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้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 ไม่สละสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมหมายถึงความสุขที่เกิดจากปัจใจสีคืออาหารบินธรมบทัทเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่เกิดขึ้นจากสงฆ์หรือจากคณะภิษุขในธรรมวินนยนี้ไม่นำตนซึ่งไม่มีทุกข์เข้าไปรับทุกข์ไม่สละสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมไม่เป็นผู้หมกมุ่นในสุขนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า เรานี้มีทุกขเป็นเหตุเริ่มบําเพ็ญความเพียรอยู่จึงคลายกาหนัดได้เพราะการบําเพ็ญความเพียรอันหนึ่งเรานี้มีทุกขเป็นเหตุมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกําหนัดได้ภิกษุนั้นเริ่มบําเพ็ญความเพียรอย่างที่ภิกษุผู้มีทุกเป็นเหตุผู้เริ่มบําเพ็ญความเพียรอยู่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 ภิกษุผู้มีทุกข์เป็นเหตุนั้นมีอุเบกขาเจริญอุเบกขาอยู่จึงคลายกำหนัดได้ทุกข์นั้นของภิกษุนั้นย่อมเป็นอันสลายไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้พระผู้มีพระภาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายผู้หลงรักมีจิตผูก พ, พันมีความรักร้อนแรงมีใจจดจ่อในหญิง เขาเห็นหญิงนั้นยืนกุยออดอ้อนชอล้ออยู่กับชายอื่นเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือโศกความเศร้าโศกบริเทวะความคร้ามครวนทุกความทุกกายโฮมนัทความทุกใจและอุปายาตคือความคับแค้นใจพึงเกิดขึ้นแก่ชายนั้นเพราะเห็นหญิงคนโน้นยืนกุยออดอ้อนชอลาะอยู่กับชายอื่นบ้างไหมภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า พึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชายคนโน้นหลงรักมีจิตผูกพันมีความรักร้อนแรงมีใจจดจ่อในหญิงคนโน้นฉะนั้นโสกระปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญา จ, จึงเกิดขึ้นเพราะเห็นหญิงนั้นยืนกุยออดอ้อนฉอเลาะ อ, อยู่กับชายอื่นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นชายนั้นคิดอย่างนี้ว่า เราหลงรักในหญิงคนโน้นโสกับอริเทวะทุกโทมานต์และอุปายาตจึงเกิดขึ้นแก่เราเพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนชอเลาะ อ, อยู่กับชายอื่นทางที่ดีเราควรเลิกรักหญิงที่เราหลงรักนั่นซะกเขาจึงเลิกรักหญิงที่เคยหลงรักนั้นสมัยต่อมาบูรุษนั้นเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนชอเลาะ อ, อยู่กับชายอื่น โสกะบริเท ว, วาทุกโทมนัตและอุปายาตพึงเกิดขึ้นแก่ชายนั้นเพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนชอเลาะอยู่กับชายอื่นบ้างไหมไม่พึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชายคนโน้นคลายความรักในหญิงคนโน้นได้แล้วฉะนั้นโสกะปริธเท ว, วาทุกโทมนัตและอุปายาตจึงไม่เกิดขึ้นเพราะเห็นหญิงนั้นยืนคุยออดอ้อนชอเลาะอยู่กับชายอื่นพระพุทธเจ้าข้า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 เริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นของเธอสาเร็จแล้วเหตุนั้นสมัยต่อมาภิกษุนั้นจึงไม่ต้องเริ่มตั้งตนไว้ในความลำบากภิกษุทั้งหลายช่างสอนลนลูกสอนกลับไปกลับมาบนขาไปสองอันดัดให้ตรงจนใช้การได้ เพราะเหตุที่ดัดลูกสอนตรงใช้งานได้แล้วนั้นประโยชน์ของเขาสำเร็จแล้วสมัยต่อมาช่างสอนนั้นจึงไม่ต้องล่นลูกสอนนั้นอีกฉันใดก็ฉันนั้นแหละจากนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถึงการที่บุคคลเห็นโทษภัยจึงออกบวชมีความเป็นผู้มีศิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายหรืออริยศีลคือ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 ละพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกต่อพรมจันทร์คือประพฤติพรมจันทร์เว้นห่างไกลาจากเมตรขุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านสี่ละเว้นขาดจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตว์หาละเว้นขาดจากการพูดสอดเสียดหกละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษพูดแต่คำภรัราะ 7. ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินยัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่การเวลาเรื่องการพูดไม่ใช่แค่พูดออกเสียงอย่างเดียวนะครับการเขียนการพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตก็เช่นกันแป เว้นขาดจากการปลาพืชจักามและปูตะคามเ้าฉันมือเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาลสำหรับเรื่องการฉันมือเดียวในที่นี้หมายถึงฉันเท่าไรกี่มือก็ได้แต่ต้องก่อนเที่ยงหลังเที่ยงจะไม่ฉันนะครับ 10. เว้นขาดจากการฟ้อนรมขับร้องประกคมดนตรีและการดูการละเล่นที่เป็นค่าศึกแก่กุศล 11. เว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงมาลัยของหอมและเครื่องปะทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวข้อนี้มีการยกเว้นนะครับว่าใช้ของหอมได้ถ้าเพื่อการรักษาโรคเช่นโรคผิวหนังเป็นต้นนะครับ 12. เว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่ 13. เว้นขาดจากการรับทองและเงิน 14เว้นขาดจัด ก, การรับธัญญาหารดิบเนื้อดิบการรับสตรีและกุมารีทาตหญิงและธาตชาย 18-20 สเว้นขาดจัด ก, การรับแพะและแกะไก่และสุกรช้างโคม้าและลา21เว้นขาดจัด ก, การรับเลือกสวนไร่นาและที่ดิน22เว้นขาดจัด ก, การทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร 23. เว้นขาดจัดการซื้อขาย2 4เว้นขาดจัดการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัด 25. เว้นขาดจัดการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลง 26. ่เว้นขาดจัดการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชค ภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบินทบาทพออิ่มท้องจะไปหน้าที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปหน้าที่ใดๆก็มีตะปีกเป็นพาระเธอประกอบด้วยอริยาศีลขันเช่นนี้แล้วย่อมสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในจากนั้นตรัสถึงภิกษุนั้นเป็นผู้สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นเหตุไม่ให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติทำความรู้สึกตัวในการยืนเดินนั่งนอนในทุกอิริยาบถภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยาศีลขันอริยาอินสียสังวรและอริยาสติสัมปชัญญะแล้วพักอยู่หน้าเสนาสนะเงียบสงัด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 ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถินามิธะละอุท ธ, ธจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านและรงคาญใจมีจิตสงบภายในละวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่เธอลานิวรณห้าประการนี้ที่ทำให้จิตเศร้าหมองบั่นพรกำลังปัญญาภิกษุนั้น สงัดจัด ก, การและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้จากนั้นตรัสถึงความพยายามที่มีผลขั้นต่อไปตามลําดับคือการบรรลุทุติยฌานฌานที่สองตติยฌานฌานที่สาม จตุตถชาญคือชาญที่สจนถึงบรรลุวิชาสามระลึกชาติได้มีตาทิพเห็นหมู่สัตว์เกิดตายเป็นไปตามกรรมและบรรลุอาสวะขยายากนอยู่จบรมอาจา ร, ร์บรรลุอรหัตผลเป็นที่สุดตรัสว่าแต่ละขั้นที่บรรลุได้นั้นคือความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาสิบประการของตถาคตผู้มีวาทะอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้ได้รับการสันเสริญคือหนึ่งถ้าหมูสัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนตถาคตพึงเป็นผู้ทำกรรมดีไว้ในชาติก่อนแน่ จึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 2. ถ้ามูสัดสวยสุขละทุกข์ราะยเหตุแห่งการเนรมิตรของพระอิศวรตถาคตพึงเป็นผู้ถูกพระอิศวรชั้นสูงเนรมิตรมาแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ข้อนี้ตรัสเปรียบเทียบความเชื่อของนิกรณ น, นะครับ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าพระอิศวรมีจริงหรือเนรมิต ท, ท่านขึ้นมาได้จริงการตรัสสอนของพระพุทธเจ้าท่านมักจะทรงนำความเชื่อเดิมหรือคำที่ใช้ในลัฐที่อื่นยกมาอธิบายในแง่มุมของพระพุทธศาสนา 3. ถ้ามู่สัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ตถาคตพึงเป็นผู้มีเคราะหกรรมดีแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นป่านนี้ในบัดนี้ สถ้าหมูสัตว์สวยสุขละทุกเพราะเหตุแห่งอภิชาติคือชาติกําเนิดตถาคตพึงเป็นผู้มีอภิชาติคือชาติกําเนิดดีแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวัชเห็นปานนี้ในบนัจจนี้ 5. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขละทุกเพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันตถาคตพึงเป็นผู้มีความพยายามดีในปัจจุบันแน่ จึงเป็นเหตุให้ตถาคตสวัยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 6. ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขละทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้สวัยสุขละทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ7 ถ้าหมูสัตว์สวยสุขละทุกเพราะเหตุแห่งการเนรมิตรของพระอิศวรตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้สวยสุขละทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตรของพระอิศวรตถาคตก็เป like ็นผ <work> <uge en> ู้น่าสรรเสริญ8ถ้าหมู่สัตว์สวยสุขละทุกเพราะเหตุแห่งเคราะห์ตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้สวยสุขละทุกเพราะเหตุแห่งเคราะ ตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ 9. ถ้าหมูสัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาตตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมูสัตว์ไม่ได้สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ 10. ถ้าหมูสัตว์สวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบัน ตถาคตพึงเป็นผู้น่าสันเสริญถ้าหมูสัตว์ไม่ได้สวัยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันตถาคตก็เป็นผู้น่าสันเสริญภิกษุทั้งหลายตถาคตมีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อต่อกันมาสิบประการของตถาคตผู้มีวาทะอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้ได้รับการสรเสริญ